อาหารก็เป็นให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาและอาหารให้อาหารก็เป็นลักษณะของการให้ถวายพัดที่ให้ประจำจริงๆก็เรียกว่าเป็นการถวายนินินตยพัดนิจนิจญาในแปลว่าเที่ยงพัดก็คือให้อาหารตลอด ได้หลวงเนี่ยท่านจะมีปัจจัยถวายแก่พระเขาเรียกถวายนิทยพัตนเก็พระสงค์ทั่วประเทศที่เป็นพระสังฆาริการหนึ่งเจ้าวาดก็ถวายเดือนละพันห้าทุกองที่เป็นเจ้าวาดบางองค์เป็นพระโคสัญญาบัติบางองค์เป็นปญญงงเนยาวคุณบางองค์เป็นปรเรียน เปลี่ยก้าเปรี่ยนเก้าก็ถวายองค์แล้วเดือนละสี่พันห้าอะไรเงยไดอย่างพงฆราชนะพระสังฆราก็ได้ประมาณสักน่าจะเจ็ดหมืนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจ 6, 000, 7, 000หกหมื่นเจ็ดหมื่นนองอยู่ประมาณนี้น่นาจะนะไม่แน่ใจมั้อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดดีๆคือก็ถวายเป็นนิตยาพัด นิตยภัทตัวนี้ก็คือเป็นการถวายรักหน่าว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือ น, อนอฉันก็ได้นิตยภัทเดือนละ2500ันห้าได้เยอะไหมสมัมก่อนได้เดือนละ300แลต 1, ้ต่อมาก็พันหนึ่งต่อมาก็ขึ้นพันสองแล้วที่บอกว่ามีเงินเดือนเยอะไอ้ที่ต่างหาก นี่แหละอันนี้เลยอันนี้อันนี้ไวงเป็นคนถวไม่แต่ก่อนในแต่ก่อนเป็นเรื่องข้องในหลวงจัดถวายแต่มาระยะหลังน่าจะรัฐบาล น, น่าจะแบ่งภาระหรือยังไงไม่แน่ใจเนติยาพแต่ยั่ี้มีไหมคะมมีทุคนไม่มีเป็น่แี้ ปีนี้ฉันห้าสิบแปดแล้วจนจะได้แล้ว <c oughs> <c oughs> จนจะเป็นผู้สูงอายุครับจริงๆมันสูงมาตั้งแต่แในกรณีอย่างที่เป็นค้นี่เพิ่มไหมคะไม่ได้แล้ว <c oughs> เหมอเดิขาไม่ให้ <c oughs> ถ้าใครมีนิติาพารแล้วก็ก็จะมาให้ใใใใถ้าไม่ถ้าไม่นั่นก็เป็นยึไม่รับนิตยาพารก็ไปรับเงินผู้สูงอายุจะพันาแบ จริงๆเงินไม่ได้มีประโยชน์กับนักบวนคะรับมีมามแต่ไม่ได้ดูจะไปทำอย่างอื่นหมดก็โมทนากับพวกเราที่ตั้งใจในการที่จะให้อาหารเป็นทานให้พัฒตารก็คือชื่อว่าให้อายุความเป็นผู้มีอายุยืนให้กำลังให้ผิวพรรณ ให้ความสุขแล้วก็ให้ปัญญาสามอย่างเนี้ท่านจะได้ทีนี้การให้ก็มันจะมีว่าแต่ก่อนพูดเรื่องทานเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยมากเราให้วัตถุทานกันเนี่ยมันจะติดอยู่แค่วัตถุทานแต่ไม่พัฒนาไปถึงอภัยาทานและธรรมาทานทานมันจะต้องพัฒนาไปได้ระดับสามระดับหนึ่งเมื่อให้วัตถุทานแล้วเนี่ย ความเป็นผู้มีอายุยืนจะเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ใช่ไหมความเป็นผู้มีผิวพรรณงามความเป็นผู้มีกําลังความเป็นผู้มีความสุขแล้วก็ความเป็นผู้มีปัญญาคนที่มีสติปัญญาได้ก็เพราะอาศัยอาหารหรือสารอาหารที่เขาไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเมื่อได้สารอาหารเขาไปหล่อเลี้ยงในร่างกายแล้วก็จะทําให้ท่านผู้นั้นมีอายุยืนทําให้ท่านผู้นั้นมีกําลังแข็งแรง ทำให้ท่านนั้นมีผิวพันธ์ที่ผ่องใสทำให้ความสุขกายเกิดขึ้นเมื่อกายสุขแล้วจิตกระทบถึงจิตด้วยจิตก็มีความสุขด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อสุขเกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาแต่ว่าเราให้5้าอย่างถ้าเราให้กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้ร้อยอัธภาพคูณ5ก็คือร้อยชาติคูณ5คูณหก็คือว่าจะเป็นผู้มีผิวพันธ์งามเนี่ย ร้อยอัตภาพมีความสุขร้อยอัตภาพมีกําลังร้อยอัตภาพมีอายุยืนร้อยอัตภาพและก็มีความมีผิวพรรณงามเนี่ยมีร้อยอัตภาพมีปัญญาร้อยอัตภาพในร้อยชาติคูณ5เนี่ยท่านทั้งหลายจะได้แต่ถ้าถวายแต่สงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุกด้วยแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆ ไม่ว่าจะเกิดในอัตภาพใดแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสุขมีอายุยืนมีกําลังมีผิวพรรณและมีปัญญาฉันกว่าจะถึงซึ่งความทุกแปลว่าปิดกั้นและต่อไปนะเราจะเป็นผู้มีอายุยืนทุกอัตภาพมีกําลังมีผิวพรรณงามมีความสุขแล้วก็มีปัญญาทุกอัตภาพนะทีนี้ให้แค่นี้ไม่พอเราต้องพัฒนาต่อไปการให้อภัยทานด้วย ไม่ใช่ให้แค่วัตถุทานจงให้ความปลอดภัยในชีวิตแก่แก่สงและแก่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเอาสง์เป็นประธานและกัสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นบริวารต่อไปเราปรารถนานอกจากจะให้ทานแด่สงแด่สงแล้วเนี่ยก็ให้อภัยทานแด่สงด้วยและกับสัตว์ทั้งหลายด้วยให้ให้อภัความปลอดภัยในชีวิต เป็นศีลข้อที่1ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเป็นศีลที่ข้อที่สองให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาเป็นศีลที่ข้อที่สให้คําสัตย์คําจริงเป็นศีลข้อที่4ให้ความไม่หวาดระแวงเป็นศีลข้อที่5้าท่านจงให้อภัยทานด้วยไม่ใช่แค่ให้วัตถุทานพัฒนาไปจนอภัยทานซึ่งเป็นกุศลศีลและไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้ของพัฒนาต่อไปเป็นให้ธรรมทาน ให้ธรรมทานก็คือให้สิ่งที่ถูกต้องดีงามจงให้ศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจจงให้ชีวิตเดิมเนินไปตามกุศลศีลจงให้ตนเองได้ข้อมูลที่ถูกต้องและจงบอกกล่าวข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบอกกล่าวคนที่ถูกต้องนะบางครั้งเนี่ยการให้ธรรมทานไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวทำให้ถูกต้องให้เขาดูจงทำให้ถูกต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานญาติมิตรเป็นแบบอย่างแก่คนใกล้ชิดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมะนั่นชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ให้ธรรมทานแล้ว<笑><笑>เห็นไหมมันให้สามอย่างเลยหนึ่งวัตถุทานต้องทาทุกวันเราก็ได้ทาแล้ว สองอภัยาทานก็ต้องทำทุกวันทุกเวลาเราก็ทำอย่างติดต่อและต่อเนื่องสามธรร ม, มาทานมีโอกาสบอกก็บอกไม่มีโอกาสบอกก็ทำให้เขาดูมองเห็นได้ไหมหรือไม่ก็แผ่เมตตาจิตใครมาอยู่ใกล้เขาเราเ็าจะมีความสุขคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักใช่ไหมคนบางคนไม่น่ารัก ไอ้คนที่น่ารักนี่ก็คือมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยดีงามมีสภาพจิตใจที่ดีเป็นคนที่น่ารักพวกเรามีไหมมีปกติเป็นคนที่น่ารักหรือไม่น่ารักน่ า, า <c oughs> นเนี่ยเขาเรียกเป็นคนที่มีลักษณะของกาลยานามิตรน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพน่าเคารพหรอเฮ้สังเกตยังไงเอย่าเพิ่งบอกก่อน คืออยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าท่านพวกนี้เป็นที่พึ่งให้กับเราได้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าปลอดภัย <laughs> ว่าไง <laughs> เวลาใครมาอยู่ใกล้เราเขาจะมีความเขาจะพูดตรงกันเลยบ่ไม่ชอบอยู่ใกล้คนคนนี้ใช่ไรู้สึกว่ามันอบอุ่น <laughs> อยู่ใกล้คนคนี้แล้วรู้สึกว่า มันปลอดภัยอะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่อยู่ใกล้เลยอยู่ไกลๆยังรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมเป็นไหมล่ะ เ, เขาบอกเราเป็นคนพูดง่ายหรือพูดยาก เ, เวลาลูกหรือใครจะมาพูดกับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพูดง่าย เป็นคนพูดรู้เรื่องง่ายหรือพูดรู้เรื่องยากบางคนเป็นคนพูดรู้เรื่องยากไหมบอกเฮ้ยช่วยไปเจราจาคนนี้หน่อยอุ้ยไม่เอาไม่เอาเป็นงั้นจริงๆนะเนี่ยคนคนนี้มันยืมตังค์ไปช่วยไปคุยหนะ่อยโอ้โหหลายรอบแล้วไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมพวกเราเป็นคนกลุ่มไหน <c oughs> จริงเหอ <c oughs> <c oughs> ลูกมาพูดใครมาพูดพูดปักเข้าใจทันทีเลยพูดรู้เรื่องได้บางคนพูดยากเขาเรียกโทวจัตสตาเป็นคนว่ายากอันเดียวกันเนะ<ม>เป็นคนว่ายากโซ<ม> ว, วจัตสตาเขาเรียกเป็นคนว่าง่ายว่าง่ายไม่ใช่บอกอะไรก็เชื่อใ้กายเป็นคนเชื่อง่ายงมงายเป็นคนละเรื่องเนะว่าง่ายก็คือเป็นคนที่มีความเข้าใจอะไรได้ ง, ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่อ่อนโยนต่อกุศลแข็งต่ออกุศลปฏิเสธบาปแต่ต้อนรับกุศลความดีเป็นคนแบบนี้ไหมถ้าเรื่องบาปนี้อย่ามาคุยกับฉันนะฉันไม่เอาไม่เอ า, เอาถ้าเรื่องบาปมามามาเช <laughs> ่นเขาชวนให้โกรธก็โกรธง่า ย, า ย, ายเป็นงั้นไหมเข้ามาพูดกระทุ้งนิดเดียวโกรธโอ้โหเป็นปืนเป็นไฟเลยนี่ก็เรียกว่า เป็นคนที่พูดยากเป็นคนที่ปฏิเสธบาปไม่เป็นนั้นน่ารักอีกอย่างน่าเคารพอีกอย่างคนละอย่างแล้วก็พาวนีโยเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีเรื่องให้พัฒนาตลอด ทางด้านพฤติกรรมทางกายทางวาทางใจโอ้ไม่ได้เจริญได้ฝึกตนเองตลอดเลย <c oughs> อยู่แล้วรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกแหมไม่จำเจซ้ำซากมีเรื่องต้องให้ฝ่ายรู้ฝ่ศึกษาฝ่พัฒนาตนเองตลอดเราคบประเภทนั้นไหมคนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแหม <c oughs> เขามีเรื่องจะต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองฝึกฝนเข้าถึงความเจริญอย่างติดต่อต่อเนื่องเป็นก้อนแบบนี้ไหมหรือไปอยู่เบส็จ เธอแย่ลงเอ้ยเยื่คนนี้เธอรู้สึกว่าแย่ลงอัออ น, น, ม, ม, นอมีแต่เรื่องไม่ดีหดหู่เป็นกลุ่มไหนกลุ่มแรกจริงอีกข้อ น, นึงก็คือเขาเรียกวัตตาวัตตานี่ก็คือเป็นผู้ฉลาดในการพูดในการว่ากล่าวเป็นคนมีจังหวะดีมากรู้ว่าคนคนเนี้ขาดความเชื่อมั่นก็สามารถพูดให้เราเนี่ย เข้าถึงความเชื่อมั่นได้รู้ว่าเราในกำลังเกียดค้านพูดให้เราเกิดกเครือข่อม <l ux> รู้ว่าเราเป็นคนหลงลืมสติพูดให้เรามีสติได้รู้ว่าเราในเป็นคนฟุ้งซ่านพูดให้เรามีจิตตั้งมั่นได้รู้ว่าเราไม่รู้พูดให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจได้ก็ฉลาดแล้วก็รู้ว่าเราต้องการนิ่งๆเขาก็นิ่งให้เราได้เนือก็เลยคนจังหวะดี จังหวะดีเคยเคยอยู่กับคนจังหวะดนรกไหมช่วยนิ่งๆหน่อยได้ไหมตอนนี้ต้องการสงบสงบหน่อยพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่ดูอะไรเลยคนบางคนจะฉลาดมากในการที่ว่ากันคือจะพูดอะไรแต่ละคาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็เหมาะแก่การเหมาะแก่เวลาจริงๆเลยนะทมก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยเราไม่ชอบใจเลยเนะย ที่ภรรยาจะทำแบบเนี้ยมันู้อายเขาหรือสามีทำแบบนี้อายก็เคยเป็นไมหมโย่บางทีไปทำได้ไงไวะอีกนู้นรู้สึกจังหวะน่ะล็อกแท้ๆนี่ <c oughs> เคยเป็นไหมก่นเงี้ยเนียบางคนรู้สึกโอ้เขาจังหวะเขาดีรู้จักปรับตัวอะไรเยอะแยะหมดเขาแหละคนที่มีปัฏิหาอีกคนนึ่งก็คือว่าเราอยากอยู่กับคนประเภทหนึ่งนะคนที่มีวัจนะขโมคือว่า ทนทนกับความงี่เง่าของเราในบางเวลาได้อยากอยูอเขนาดนั้นไหมบางทีเราอยากจะงอแง้งง้องแงกบ้างเขาก็ทนพฤติกรรมเราได้เคยเจอไหมคนประเภทนี้เขารู้สึกเออเขาไม่ว่าเรายามที่เราจะโวยวายบ้างอะไรบ้างเขาก็รู้สึกทนเราได้ยอมรับเราได้แต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะเมื่อมีโอกาสก็จะแนะนำ เลือกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ฉลาดในการพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ลึกให้ตื้นได้เรื่องยาวๆสรุปให้สั้นได้ไม่ใช่พูดเรื่องยากให้มันยากเรื่องคนจะสรุปสั้นๆพูดโหอยู่นั่นแหละเราเป็นคนกลุ่มไหนเนี่ยสามาร ถ, ถแถลงเรื่องที่ลึกซึ้งได้ไหมเรื่องที่มันเห็นยากเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องนามธรรมาเนี่ย พูดที่เป็นรูปธปรรมไม่เห็นได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นนะออไอสติเนี่ยนะมันมีหน้าที่ยังไงเจตนามีหน้าที่ยังไงก็อ๋อถ้าพูดเป็นรูปธปรรมนะเหมือนคนอยู่ด้วยกันอย่างพวกเราเนี่ยสิบคนใช่ไ้ยเนี่ย ในสิบคนเนี่ยการที่จะทํางานอะไรให้ประสบความสําเร็จมันต้องผนึกกําลังกันสติเนี่ยเป็นเหมือนตัวที่เป็นจุดศูนย์รวมที่จดจ่อกับเรื่องถ้าจดจ่อว่าเออจะทําเรื่องนี้สติก็จะกําหนดตรึงเรื่องนั้นไว้จากนั้นบุคคลก็จะชี้ไปว่าเออเราจะทําเรื่องนี้นะ่ตสติมันจะกําหนดอย่างนี้พอสติกําหนดอย่างนั้นเบเสร็จปุ๊บ ทุกคนก็ช่วยกันหลอมเป็นพลังที่จะทำให้งานชิ้นนั้นอะลุล่วงไปได้ด้วยการมีสติเป็นตนเป็นคนชี้เป้าเอห็นหมจากนามธรรมแท้ๆเนี่ยพอสติกําหนดลมปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มนามธรรมอื่นๆก็มาช่วยกันมาลุ่มดูกันที่ลมมาพันดึกจิตให้รวมอยู่ที่ลมอย่างเงี้ยก็เรียกว่าพูดจากนามธรรมให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมได้ ไอตัวเจตานาล่ะเหมือนอะไรเหมือนหัวหน้าที่คอยไปบอกว่าทุกคนทาหน้าที่นะแล้วตนเองก็ทำหน้าที่ด้วยเหมือนเหมือนหัวหน้าช่างตนเองบอกให้ทุกคนช่วยกันทำและตนเองก็เป็นผู้ลงมือทำไปด้วยไอสติก็เป็นตัวชี้เป้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดอย่างนี้จากนมามธรรมเห็นเป็นรูปธรรมได้เออเริ่มปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่าพูดเรื่อง ยากให้เป็นเรื่องง่ายพูดเรื่องลึกให้เป็นเรื่องตืนมองเห็นไหมบางคนนี้สติก็ระลึกได้ไงอาแล้วระลึกยังไงไม่รู้ก็ระลึกเห็นไหมมันไม่มองเห็นภาพอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้ววันนี้เราก็ได้มาให้ทั้งวัตถุทานอยู่แค่วัตถุทานไม่ได้ชีวิตไม่พัฒนา พัฒนาไปถึงอภัยทานอยู่แค่นี้ก็ไม่ได้เพราะได้แค่ศีลต้องไปถึงธรรมทานก็คือระดับภาวนาก็คือลงมือทมลงมือฝึกผลพัฒนาใช่ไหมอยู่แค่วัตถุทานอย่างเดียวไม่ได้ภาวนาก็แปลว่าทำให้เจริญขึ้นทาให้เกิดขึ้นทาให้มีขึ้น ทำศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญภัยบูรพัฒนายิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสทุกคนเพราะว่าคนที่หมดลมหายใจหมดโอกาสแล้วเมืตอนนี้พวกเรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้ทุกด้านใช่ต้องสามารถ การปฏิบัติธรรมให้มารวมหลอมอยู่ในชีวิตจริงให้ได้อย่าเป็นการปฏิบัติธรรมเฉพาะด้านเฉพาะเวลาถ้า่างั้นผิดเป้าหมายเลยหรือบางทีหนักไปกว่านั้นก็คือปฏิบัติธรรมเฉพาะิยาบทเช่นได้ิยาบทนั่ง เ, เดินไม่ได้ยืนไม่ได้นอนไม่ได้อันนี้ยุ่งใหญ่ใช่ไหมการปฏิบัติธรรมมันต้องครบเวอร์ทั้งหมดมันต้อง บุรณาการทั้งหมดในชีวิตจริงให้ได้ฉะนั้นในขณะที่เราทำกิตไปเนี่ยจิตเราก็จะต้องได้ฝึกหัดพัฒนาไปด้วยทั้งหมดเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกตัวเองได้หมดถ้าการปฏิบัติธรรมอยู่เฉพาะในวัดยุ่งเลยยุ่งแน่แนเพราะวัดไม่เพียงพอก็พูดที่จะมาปฏิบททัติธรรใช่หมั้นปฏิบัติธรรมมันต้องเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงแล้วทุกเวลา มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเข้าใจไหมสติมันจเจริญได้ทุกที่นะสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันจเจริญได้ทุกที่แม้ศรัทธาแม้ในขณะที่เราท่านทั้งหลายกำลังประกอบกิจกรรมชีวิตอยู่ขับรถนั่งในรถหรือดาเนินกิจกรรมของชีวิตก็ต้องสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงๆถ้าไม่สามารถเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้แปลว่าการเข้าถึงธรรมานั้นล้มเหลวแล้วเรียบร้อยแล้ว เพราะชีวิตที่พวกเราทั้งหลายต้องอยู่กับกิจกรรมนะวันหนึ่งแปดชั่วโมงบ้างเก้าชั่วโมงบ้างแล้วจะเอาเวลาไหนปฏิบัติถ้าไม่สามารถทำให้เป็นเพื่อเป็นตัวขึ้นมาได้เพราะจะเข้าใจนะ <c oughs> นโมทนากับพวกเราใครจะหมดเวลาแล้ว ศาสนาสัจโลกัสสาวุธิปวัตุสปัตตาศาสนาปิจโรกัญจเวเทวารคกันตุสปัตตาสถิงหตุสุขีสเพปริวารียฮตโนเดคาสมนาหตุสุขังสุขังสุติสุขังปฏิพุชตินาปาปกัรสุขินางปสติมนุสานนางปิโยติอมนุสานนางปิโยติเดวตารักันตินาสักีวัยสังวาสตังวากรมติ ตัวั้งจิตตังสมาธิยติมุขวัโนวิปททัสสิทธิอสัมมุลาหการางังการติอุตริงอปิวิชันตัวปรมโรกุปะโคโหติด้วยอนุภาพเป็นคุณของพระเจ้าพระธรรมบารียสงอ์ขอให้ยอมทั้งหลายจงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายขอให้เทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายไฟสตรายาพิษโรคร้ายอย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่พองใสมีสมาธิตั้งมันเร็ว ไม่หลงทำการกิริยาปรารถนาทราพัพย์คอยได้ทรัพย์ปรารถนายศคอยได้ยศปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอสาธ<ม>ุ<ส>ามีมีใครอยากถามอะไรสักข้อไหมมีไหมอยากถามไหย หมดเลยหมดคำถามเลยไม่มีเลยดิต่ถามว่าไม่ม้ยหรืออ๋อทนายปามาให้ยม<อ>เครื่องห น, นึ่งเนี่ยฉันมีไอเนี้ยเอ๊ะฉันใครเคยได้บ่อล้วนะมีสองดินจากสังเวมีแค่สองอันเอง ทีอนนึงเอาไอไม่ใช e ่ดินที่พูะเจ้านั่งประทับตัดสรุดินีุธยาใช่เอาไว้แล้วจะได้เป็นกําลังใจโยมเคยขอด uh, uh, <c oughs> um, ินจากบ้านแม่น่ะ <laughs> กำลังใจอันนี้เป็นกำลังใจว่าจะไม่ไม่ไม่แพ้ไม่แพ้แกมารที่พระเจ้าชนะมารมารในที่นั้นความตายด้วยชนะความตา ย, ยพอมีไว้แล้วโโหูมีกำลังใจปุ๊บปุ๊ป๊ี <laughs> ่กำลังใจเลยอ่ย <laughs> ได้ี่้งได้ไม่ได้ได้อย่าง ใช่ตรงอ้าวตอนนั้นมาทำทานไหมคะแม่ค wow> ่ะตัวฟังกันท nee ุกวันหรือเปล่าท่านันโอ้ดีเลยเพราะงั้นเองฉันไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยพวกเราใช้กัน แบกมนะือูแบอาเอเปลี่ยนแต่๋จะไงงมีเสียงอยู่ั้องใจานีสงสัยพวกเราเปิดมากจนนอนไม่ค่อยหลับเมันโดนดึงพลังไว้เดียเดือนหน้าโยมยิ้มบนร้ายชันที่เรียนนะคะเดี๋ยวถช่วงจาะจาเดี๋ยน้ก็เดือนหน้าหรือเปล่ามีกลุ่มพวกดารากรุุนเก่า อันนี้หมนพวกกลุ่มใครนี่กลุ่มพวกไอ้เศรษฐากลุ่มอรัญญานามวงกลุ่มพวกแก่แกใกล้ตายกันเนี่ยเขาอกาก็อยากจะสนานนากระพ้าต่อปัญหาก็หน่อยฉันบอกว่าเอาองค์อื่นก่อนไปพวกนี้เ็าเขาผงผ่านโลกผ่านอะไรกันมาเยอะนะขางเหนื่อยฉันไม่ค่อยอยากไปนั่งใกล้ก็ เรากระหาองค์อื่นดูวยาไม่ไม่ได้ก็ค่อยมาว่าอีกทีน่าจะเป็นเดือนหน้าวันที่8จะไปที่ศีรังกาเปดถึงสิบสามแปถึงสิบสามเนายืมเจอข้อมูิจักา ร, การ <c oughs> คือคือเขาคือที่แรกจริงๆจะไป8ปเดือนนี้ แล้วเขาเกิดไปเจราจนกันเกิดเกิดแต่ฆ่ากันากาตายเขาก็เลยไปไม่ได้เขาเ ค, าคอร์ฟิวนี่ก็เลยเลยไปเตรีเตรียมทองคำเตรียมอะไรมีคนเอามาให้ที่จะไปบูชาพระเขียวแก้วก็เลยต้องเตรียมผ้าไตรไปร้อยชุดไปถวายพระที่วัดพระเขียวแก้วนี่แล้วก็ไปเลี้ยงพระห้าร้อยลูกแล้วก็ไปถวายจีวร ไปถวายอาหารทำอาหารสามสิสองอย่า ง, งเป็นมังสวิรัติถวายพระเกลียวแก้วก็เป็นประเพณีเป็นประเพณีที่สืบทอดใช่เขารีดอาหารไว้แล้วเราก็เลยไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงถวายอาหารสามสสองอย่างบูชามหาบุริสระขนาดสามสองประการของพระเจ้าเขาบอกต้องใช้เวลาสิปีในการจองหร่าจะจองได้ไว ฉันไปฉันไปฉันก็บอกว่าฉันอยากจะทำสมเด็จสังกลาดมั้งท่านหาคิวให้เขาคงไปเอาคนที่จองเคยผ่านมาคงบอกว่าเอออนุญาตให้พรได้ไหมคงอย่างนั้นนะนะหรือยังไงก็ไม่ทราบก็เลยได้พอได้เสร็จแล้วฉันก็เออได้ไปอยู่ขาไปเจริญบุตรสนไดวเจ้าบุญมาให้พวกเรา ว่าเราก็ได้บุญกันอยู่แล้วใช่ไหมให้อาหารเพราะมีแรงได้เดินไปได้ให้ผูชาก็ปีนี้ช่วงช่วงธันวาฉันไปอินเดียแล้วก็ช่วงมกลาเนี่ยตอนนี้กำลังฉันกำลังคัดพ้าอยู่คัดพ้าหกสิบรูปแล้วก็ถวายการดูแลทั้งหมดเลยหกสิบรูป พอดีมีโยมที่เป็นรวมกันเป็นยาภาพแทนก็เลยนี่ตอนนี้มีกำลังคัดพระบ้างสัมภาษณ์พระบ้างตอนนี้ได้เกือบจะครบแล้วพอครบเสร็จแล้ววันที่วันที่ห้ามกราถึงวันที่12ก็จะไปอบลมเอาไปเอาพระนี้ไปอบลมปฏิบัติที่ยูพุทธศูนย์สองวันที่19 29, ถึง29เเดินทางอินเดียแต่ฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้ไปตลอนตลอดเขาฉันอบรมให้เขาแปวันแล้วก็ส่งไปแล้วก็ให้มีพระวิยากนไปให้กลุ่มท่นไนไปไ ป, ไปทําวีดรทัตฉันจะตามไปทีหลังตามไปพบที่วรานสีเพราะสุขภาพฉันคงจะไปลุยกับเขาไม่ได้ก็ตามไปพบตรงนั้นสักสองวันสามวันฉันก็จะไปเทศที่พระเจ้าแสดงธรรมจักกับวัฒนสุไปปกใจของนักของพระหกสรูป ตอนนั้นน่ยพระหกสิบรูปก็ไปสัติวเจ้ารจำ ภ, าภารษาแรกใช่ไหมเมื่อออกภรษาพระเจ้าก็บอกหลักการองค์การของพระศาสนาว่จาจรถาภิกเวจริกังพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกาโนกัมปายะเดวะมนุษย์นังเป็ตนต้นบอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นต้นฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเห็นไหม งั้นถ้าใครบอกว่าพระนี่เที่ยวเก่งเนี่ยไม่จริงการเที่ยวนี้คือการทําตามคําสอนของวุตถเจ้าพระห้ามอยู่กับที่ต้องเที่ยวไปเพราะการเที่ยวนี่เป็นหนูจเที่ยวไปเอาประโยชน์ไปให้เขาเคยโปรดโยู่เลยฉันก็จะไปบอกพระเขาบกว่าท่านกลับเมืองไทยไปท่านจงเที่ยวจาริกเลยเผยแผ่ประาศาสนาโอ้ฉันจะไปบอกความจริงกับพระท่าน ส่สวดธรรมจักเสร็จแล้วก็จะอธิบายปริยมเขาทีแรกจริงๆเอ่ยอมเคยอยากถวายปัจจัยทำเจดีย์อยากจะทำเจดีย์งบในี่สามล้านคุยไปคุยมาโย่เราสร้างเจดีย์ในคนได้ไหมเนี่ยไปไปมายมก็เออนั้นก็เอาพระไปอินเดียเลยดีไหมก็เลยมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหม ก็เอาเนี่ยสร้างเจดีย์ไว้ในมนุษย์นี่แหละใส่ไว้ในใจของท่านไปเลยหกสิบเจดีย์แทนที่จะสร้างหนึ่งหนึ่งเจดีย์นะสร้างซะหกสิบเจดีย์เล ย, เลยดในในใน้ใช่ท่านจะได้ไปประกาศาศาสนาเราก็แก่แล้วบุคคลเหล่านี้ก็ยังมีแข็งแรงมีพลังกาลังอยู่สร้างเจดีย์แทนที่จะสร้างหนึ่งองค์แล้วอยู่กับที่สร้างเจดีย์เคลื่อนที่ได้ ให้จาลิกไปจะได้ไปประกาศบอกหลักการของพระวุฒิยังฉันจะไปบอกความจริงกับท่านเี้ะเออเนี่ยไปท่านทั้งหลายจงทําตนเองเหมือนพระเจดีย์ทององค์ใหญ่ทําใจให้เหมือนพระบรมสารีริกธาตุทำจิตของท่านนทําการจักรกายหเหมือนเจดีย์ทององค์ใหญ่เวลาใจท่านในน้อมถึงวัตคุณเวลานั้นเหมือนพระบรมสารีริกธาตุสภาพจิตใจที่แผ่คุมไปในร่างกาย เจดี JD, ท่านเหมือนกายของท่านเหมือนเจดีทององค์ใหญ่ท่านจงนําเจดีคือกระแสะชีวิตที่เป็นเจดีทององค์ใหญ่เนี่ยดําเดินไปโปรดประชาชนให้เขาพ้นจากทุกพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้เขาได้กราบไหว้เขาจะได้บุญได้กุศลไม่ต้องรอไม่ต้องตั้งอยู่กับที่เหมือนเจดีทั่วท่วไปท่านเป็นเจดีที่เคลื่อนที่ได้จงเดินไปให้เขากราบเดินไปให้เขาไหว้ เดินเข้าไปบอกความจริงเขาเป็นเจดีที่เทศได้บอกเขาได้แล้วก็ทําให้เขาดูทําให้เขาเห็นฉันจะบอกว่าเนี่ยคิดอย่างนี้แทนที่เราจะได้เจดียหนึ่งองค์นี่ตอนนี้เราจะได้หกสิบตอนนี้กําลังจะปั้นพวกท่านในเป็นเจดีย์ทองดีไหมแล้วก็โอ้โหแต่นี้เจดี JD จะได้ประดิษฐานตามหัวเมืองต่างๆในประเทศไทยหกสิบเจดีย ให้ดำเดินไปโปรดเวนัยสัตว์ให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์เป็นการก็มานั่งนึกอย่างนี้เออเราได้สร้างเจดีย์ทั้งหกสิบองค์หนึ่งยิ่งใหญ่มากใช้งบสามล้านสามล้านก็คุ้มใช่ไหมคมุ้มต้องคิดดูเจดีย์เนี่ยเวลาไปแล้วไปโปรดเวนัยสัตว์โอ้โหจะยิ่งใหญ่ขนาดแล้วไป ประเด็นก็เราจะไปปั้นยังไงให้เป็นเจดีย์ทองจริงๆจะใช้เวลาปั้นเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในไทยแปดวันไปอินเดียอีกสิบวันสิบแปดวันทำหน้าที่ปั้นปั้นดินให้เป็นดาวาก็มีกันใช่ไหม <c oughs> อันนี้ปั้นมนุษย์เนี่ยปั้นพระให้เป็นเจดีย์ทององค์ใหญ่ให้เป็นพุทธะ <c oughs> ้โปรเจกต์นี no ้น่าสนใจนะใช่ไหมดีไหมแบบนี้ดีะเราก็เดี๋ยวเรามีโอกาสก็เออไปถวายอาหารท่านกันอย่างที่ท่านอยู่ตรงปทุมเนี่ยปฐุมุมยุพุทธศูนย์สองไงเคยไปไหมฉันไม่เคยไปที่แรกจริงฉันจองเ็าที่ศูนย์สี่เขาไม่ว่างแล้วี่่ สนสี่สที่แรกฉันจะไปตรงนั้นแล้เขาไม่ว่างฉันชอบตรงนั้น mm hmm. เพราะว่ามีกุฏิเป็นแถวอยา่างงี้ยอยากจะสร้างภาพสักน้อย mm hmm. <laughs> แข่งกับอ่างทองก็นิดีเยเห mm hmm. <laughs> ็นอ่างทองเาก็ทำเป็นแถวเฮ้ยเยทำเป็นแถวบ้งโอเคสาธุคุยเพลินเดี๋ยวหมดเวลาเดี mm ๋ยวพวกเราไม่เออเหลือห้านาที mm hmm.